พรหมวิหารสี่ประการที่สามมุทิตาภาวนาโยคีบุคคลผู้มีความประสงค์จะเจริญมุทิตาพรหมวิหารนั้นประการแรกพึงเตรียมทำบุพกิจเบื้องต้นให้เสร็จสิ้นก่อนนับตั้งแต่ตัดปริโพธ์ความกังวลสิบ ป, ประการจนถึงไปนั่งนั่งอาสนะอย่างเรียบร้อย เหมือนอย่างที่ได้แสดงไว้แล้วในเมตตาภาวนาทุกประการครั้นแล้วจึงลงมือเจริญมุติตากรรมฐานต่อไปห้ามเจริญในบุคคลสามจำพวกอันดับแรกก็แลเมื่อโยคีบุคคลจะเจริญมุติตากรรมฐานนั้นห้ามมให้เจริญไปในบุคคลสามจำพวกนี้เป็นอันดับแรกคือคนที่รักหนึ่ง คนเป็นกลางๆหนึ่งคนคู่เวรหนึ่งเพราะเหตุว่าแม้คนเป็นที่รักนั้นก็ไม่เป็นบรรทัดฐานพอที่จะทําให้มุทิตาเกิดขึ้นได้ในอันดับแรกด้วยมาดว่าภาวะเป็นที่รักเท่านั้นอธิบายว่าคนผู้อยู่ในฐานะเป็นที่รักกันอย่างธรรมดาแต่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติพิเศษประจำตัวเช่น ความเป็นผู้มีหน้าตาเบิกบานแช่มชื่นเสมอความเป็นผู้ฉลาดทักทายปราศัยก่อนความเป็นผู้พูดจาไพเราะมีมารยาทละเอียดอ่อนโยนและความสนุกร่าเริงเป็นต้นอันเป็นผลสำเร็จมาด้วยปฏิสนธินธวิญ ญ, ญาณที่ประกอบด้วยโสมนัสเวทนาคนผู้ขาดคุณสมบัติประจำตัวเช่นที่กล่าวมานี้ แม้จะนับเนื่องอยู่ในเครือคนที่รักนับถือกันก็ตามก็ไม่พอที่จะเป็นเหตุให้มุทิตาพรหมวิหารนี้เกิดขึ้นในจิตสันดานของผู้ปฏิบัติในอันดับแรกได้ยิ่งคนเป็นกลางกลางและคนคู่เวรด้วยแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงกันละยิ่งห่างไกลจากความเป็นบรรทัดฐานแห่งมุทิตาภาวนาอันดับแรกมากทีเดียว ส่วนคนต่างเพศกับคนที่ตายแล้วจะเอามาเป็นเขตรหรืออารมณ์ของมุทิตากรรมฐานนี้ไม่ได้เลยโดยส่วนเดียวเพราะเหตุไรได้แสดงไว้แล้วในเมตตาภาวนาคนที่ควรเจริญมุทิตาถึงอันดับแรกก็แหละเพื่อนที่รักมากจัดเป็นบุคคลที่เป็นบรรทัดฐาน พอที่จะให้มุติตาเกิดขึ้นได้ในอันดับแรกคือคนประเภทที่ท่านอัทธกถาาจารย์เรียกว่าเพื่อนใจนักเลงซึ่งเป็นผู้มีอัธยาศัยชอบสนุกร่าเริงยิ้มก่อนพูดเสมอนับเป็นบุคคลที่ควรเจริญมุติตาไปถึงเป็นอันดับแรกได้เช่นเดียวกันหรือคนที่รักนั่นแหละแต่เป็นผู้สมบูรณ์พูนสุข มีเครื่องบำรุงบำเรออย่างเพียบพร้อมกำลังร่าเริงบันเทิงใจอยู่ก็เช่นเดียวกันเมื่อโยคีบุคคลได้เห็นมาด้วยตาเองก็ดีหรือเพียงแต่ได้ทราบข่าวก็ดีและพึงเจริญมุทิตาให้เป็นไปในบุคคลเห็นปานนั้นเป็นอันดับแรกก่อนกว่าบุคคลประเภทอื่นคือพึงเจริญด้วยบทภาวนาว่าโมทติ วตายังสัตโตอโหสาธุอโหสุถุสัตผู้นี้ร่าเริงจริงหนอขออนุโมทนาด้วยเถนนะหรืออีกแบบหนึ่งว่าอายังสันโตยะถาลทะสัมปติโตมาวิคตัตจตุขอสัตผู้นี้จงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยถ้าตั้งแต่สองคนขึ้นไปให้ว่า เอเตสัตตายะถาลัทธสัมปติโตมาวิคัตจตุขอสัตว์เหล่านี้จงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยหรือว่าสพเพสัตตายะถาลัทธสัมปติโตมาวิคัตจตุขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยโยคีบุคคลพึงนึกภาวนาในใจไปตามบทภาวนานี้ อย่างเล่าแล้วเล่ า, ล า, ลาจนมุทิตาจะปรากฏชัดขึ้นในใจและได้บรรลุถึงขั้นอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิตามลำดับเพราะอาศัยอำนาจความหมายนี้นั่นเองพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสวิธีเจริญมุทิตาภาวนาไว้เป็นแบบอย่างซึ่งมีปรากฏอยู่ในคำพีวิพังปรกรณ์ดังนี้ภิกษุ ผู้มีจิตประกอบด้วยมุทิตายอมแผ่มุทิตาจิตไปทางทิศหนึ่งอยู่นั่นคือทำอย่างไรภิกษุผู้มีจิตประกอบด้วยมุทิตายอมแผ่มุทิตาจิตไปยังสัตว์ทั้งปวงทุกๆจำพวกเหมือนอย่างที่ได้เห็นคนอื่นซึ่งเป็นที่รักใคร่เป็นที่เจริญใจคนหนึ่งแล้วพึงพลอยโมทนายินดีด้วยฉะนั้น จเจริญมุทิตาให้คนที่รักผู้ตกยากถ้าเพื่อนใจนักเลงหรือคนที่รักของโยคีบุคคลนั้นเมื่อก่อนเขาเป็นคนมีความสมบูรณ์พูนสุขแต่มาบัด น, นี้ได้เกิดเปลี่ยนภาวะมาเป็นคนเข็นใจได้ทุกข์และประกอบกรรมทําชั่วขึ้นเช่นนี้โยคีบุคคลต้องระลึกถึงสภาพที่เขาเคยมีความสมบูรณ์พูนสุขในปางอดีตนั้น แล้วยกเอาอาการที่เขาเคยสนุกร่าเริงขึ้นมาพิจารณาว่าคนผู้นี้เมื่อครั้งอดีตเขาได้เคยเป็นคนร่ำรวยมีบริวารมากเป็นคนสนุกร่าเริงเสมอเป็นนิดดังนี้แล้วพึงจจริมุธิตาให้เป็นไปอันหนึง่งพึงยกเอาแม้อาการที่เขาจะพึงสนุกร่าเริงต่อไปในภายหน้าขึ้นมาพิจารณาว่า ชีวิตในอนาคตของคนผู้นี้ก็จะได้สมบัตินั้นกลับคืนมาอีกเขาจักได้ไปบนคอช้างหรือบนหลังมา้าหรือบนวอทองคําเป็นแน่ดังนี้แล้วพึงเจริญมุติตาให้เป็นไปในบุคคล น, นั้นเถิดเจริญมุติตาในคนกลางๆงและคนคู่เวร ในที่นี้คำว่าเพื่อนที่รักมากซึ่งเรียกว่าเพื่อนใจนักเลงกับคนที่รักสองบุคคลนี้รวมเรียกว่าคนที่รักประเภทเดียวกันเพราะเป็นผู้มีสภาพเป็นที่รักเหมือนกันเมื่อโยคีบุคคลได้เจริญมุทิตากรรมฐานให้เกิดขึ้นในคนที่รักเช่นนั้นแล้วถัดนั้นพึงเจริญมุทิตาไปในบุคคลตามลาดับดังนี้คือคนเป็นกลาง และคนคู่เวรวิธีปฏิบัตินั้นดังนี้เมื่อโยคีบุคคลได้เจริญมุทิตากรรมฐานให้เกิดมีขึ้นในเพื่อนที่รักมากหรือเพื่อนใจนักเลงนั้นแล้วพึงทำกรรมฐานนั้นให้คล่องแคล่วให้อ่อนนุ่มนวลควรแกการงานเสียก่อนแล้วจึงเจริญมุทิตาไปในคนที่รักครั้นทำกรรมฐานในคนที่รักให้คล่องแคล่ว ให้อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานแล้วจึงเจริญมุทิตาไปในคนเป็นกลางกลางรันทำกรรมฐานในคนเป็นกลางๆางให้คล่องเคล้าให้อ่อนนุ่มนวลควรแกการงานแล้วถัดนั้นจึงเจริญมุทิตาไปในคนคู่เวรแล้วพึงทำอัปปนาชานให้เจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับต่อไป มุทิตาสีหมาสําเพรก็แลในกรณีที่เจริญมุทิตาไปในคนคู่เวร น, นั้นถ้าความโกรธแค้นเกิดขึ้นแก่โยคีโดยในยะที่ได้แสดงมาแล้วในเมตตาภาวนาโยคีบุคคลพึงพยายามบรรเทาความโกรธแค้นให้ระ ง, งับลงด้วยอุบายวิธีที่ได้แสดงไว้แล้วในเมตตาภาวนานั่นแหลครั้นแลพึงทำมุทิตา ให้เป็นสีมาสัมเพสโดยทำจิตให้เสมอในบุคคลสี่จำพวกคือคนที่รักหนึ่งคนเป็นกลางๆางหนึ่งคนคู่เวรหนึ่งและตนเองหนึ่งชนิดบรรลุถึงอปปนาชาลแต่นั้นโยคีบุคคลพึงสองเสพนิมิตกรรมฐานคือสีมาสัมเพสนั้นให้หนักขึ้น ทำให้ในิมิตเจริญขึ้นภาวนาให้มากๆเข้าจนได้บรรลุถึงซึ่งอัปปนาชาญแล้วทำอัปปนาชาญให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปด้วยสามารถชาญสามโดยจดตุ ก, กนใยและชาญสี่โดยปัญจกนใยโดยทำนองที่แสดงมาแล้วในเมตตาภาวนาทุกประการด้วยประการชนนี้เป็นอันว่ายโยคีบุคคลผู้เจริญมุทิตาพรหมวิหาร ได้ปฏิบัติถึงขั้นสุดยอดแห่งมุทิตากรรมฐานนี้โดยบริบูรณ์แล้วแหละวิธีแผ่มุทิตาสามอย่างลำดับต่อไปนี้ผู้ปฏิบัติพึงศึกษาให้เข้าใจวิธีการแผ่มุทิตาจิตสามอย่างตามที่ท่านแสดงไว้ในคำมพียปฏิสัมพิธามักคือการแผ่มุทิตาอย่างไม่เจาะจง ที่เรียกว่าอนทุทิโสภารณาโดยอาการห้านั้นอย่างหนึ่งการแผ่มุทิตา ย, ย่างเจาะจงที่เรียกว่าอโอทิโสภารณาโดยอาการเจ็ดนั้นอย่างหนึ่งการแผ่มุทิตาไปในทิศที่เรียกว่าทิสาภารณาโดยอาการสิบนั้นอย่างหนึ่งซึ่งมีอาการแห่งภาวนาวิธีดังต่อไปนี้ อ น, นทุทิโสภาณาคําแผ่มุติตาไม่เจาะจงโดยอาการห้าสเปสัตตายะถาลัทธสัมปติโตมาวิคัตฉันตุขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยสัเพปานายะถาลัทธสัมปติโตมาวิคัตฉันตุขอปานะทั้งปวงจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลย สัเพภูตายะถาลัทธสัมปติโตมาวิคัตฉันตุขอพูดทั้งปวงจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยสเพปุคลายะถาลัทธสัมปติโตมาวิคัตฉันตุขอบุคคลทั้งปวงจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยสเพอตตาภาวะปริยาปนา ยะถาลัทธสัมปติโตมาวิคัตฉันตุขอผู้มีอันตรภาพทั้งปวงจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยโอทิโสภารณาคำแผมุทิตาเจาะจงโดยอาการเจ็ดสภอิธิโยยะถาลัทธสัมปติโตมาวิคัตฉันตุขอสตรีทั้งปวงจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลย ส ung, يع, ัพเพปุริสายถาลัทธสัมปติโตมาวิคัตฉันตุขอบุรุษทั้งปวงจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยสัพเพอริยายถาลัทธสัมปติโตมาวิคัตฉันตุขอพระอริยาเจ้าทั้งปวงจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยสัพเพอนาริยายถาลัทธสัมปติโตมาวิคัตฉันตุ ขอปุถุชนทั้งปวงจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยสัพเพเทวายถาลัทธสัมปติโตมาวิคัตฉันตุขอเทวดาทั้งปวงจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยสัพเพมนุษยายถาลัทธสัมปติโตมาวิคัตฉันตุขอมนุษย์ทั้งปวงจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลย สัพเพวินิปาติกายะถาลัทธสัมปติโตมาวิคัตฉันตุขอพวกสัตว์วินิปาติกาทั้งปวงจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยที่สาภาลนาวิธีการแผ่มุติตาเป็นในทิศโดยอาการสิบวิธีการแผ่มุติตาเป็นในทิศนั้นคือยกเอาอนุทิโสบุคคลห้าจำพวก ทิโศบุคคลเจดจำพวกรวมเป็นส2บสองบุคคลไปตั้งไว้ในทิศทั้งสิบล้วแผ่มุทิตาไปในบุคคลส2บสองจำพวกที่อยู่ในทิศทั้งสิบนั้นจึงเรียกว่าแผ่ไปในทิศโดยอาการแห่งภาวนาสิบอาการเมื่อว่าโดยบุคคลเป็นส2บสองวาระตัวอย่างดังต่อไปนี้คำแผ่มุทิตาในทิศโดยอาการสิบวาระที่หนึ่ง ในบุคคลที่หนึ่งสัพเพปุรัติมายะที่สายะสัตถายะธาลัทธสัมปติโตมาวิคัตฉันตุขอสัตว์ทั้งปวงในทิศบุรพาจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยสัพเพปัชิมายะที่สายะศรัทตายะธาลัทธสัมปติโตมาวิคัตฉันตุขอสัตว์ทั้งปวงในทิศประจิม จงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยสัพเพอุตรายะทิ่สายะสัตตายะธาลัทธสัมปติโตมาวิคัตฉันตุขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอุดรจงอย่ายได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยสัพเพทขินายะที่สายะสัตตายะาลัทธสัมปติโตมาวิคัตฉันตุขอสัตว์ทั้งปวงในทิศทักษิน จงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยสเพปุรัติมายะอนุทิสายะสัตตายถาลัทธสัมปติโตมาวิคัตฉันตุขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอิคเนจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยสเพปัชมายะอนุทิสายะสัตตายฐายายถาลัทธสัมปติโตมาวิคัตฉันตุขอสัตว์ทั้งปวงในทิศฐิยับ จงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะสัตตายะถาลธาสัมปติโตมาวิคัตฉันตุขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอีสานจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยสัพเพทคิณายะอนุทิสายะสัตตายะถาลธาสัมปติโตมาวิคัตฉันตุขอสัตว์ทั้งปวงในทิศฮรดี จงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยสัพเพเหติมายะทิสายะสัตว์ตายะถาลธสัมปติโตมาวิคัตฉันตุขอสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องล่างจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยสัพเพอุปริมายะทิสายะสัตวตายะถาลธสัมปติโตมาวิคัตชันตุ ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบนจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยส่วนคาแผ่มุทิตาไปในทิศโดยอาการสิบในบุคคลอีกสิอดจำพวกตั้งแต่จำพวกที่สองคือสัพเพปานาปานะทั้งปวงถึงจำพวกที่สิบสองสัพเพวินิปาติกาพวกสัตว์วินิปาติกะทั้งปวงนั้นผู้ปฏิบัต จรงนำมาประกอบเรื่องโดยทำนองเดียวกับบุคคลที่หนึ่งต่างแต่ต้องยกเอาบุคคล น, นั้นๆมาประกอบแทนตรงที่ว่าสัตตาในคำบาลีกับตรงที่ว่าสัตว์ในคำไทยเท่านั้นเห็นว่าผู้ปฏิบัติสามารถที่จะนำมาประกอบได้เองจึงไม่ได้ยกมาแสดงไว้เต็มรูปมุทิตา อ, อัปปนาหนึ่งสสอง ในมุทิตาภาวนานี้เมื่อโยคีบุคคลปฏิบัติจนได้สำเร็จถึงขั้นอัปปนาชาญและทำการแผ่มุทิตาจิตไปโดยอาการ5ในอโนทิโสบุคคลโดยอาการเจในโอทิโสบุคคลและโดยอาการ10บในบุคคล12จําจำพวกโดยภาวนาวิธีดังแสดงมาก็จะได้อัปปนาชาญทั้งหมด132ออัปปนา คืออปปนาในอ น, นุิโสภาณาห้าในโอธิโสภาณาเจ็ดและในทิสาภาณาหนึ่งร้อยยี่สิบรวมเป็นห น, นึ่งร้อยสามสิบสองอานิสงส์มุทิตาก็ไลยโยคีบุคคลผู้เจริญมุทิตาจนได้สำเร็จถึงขั้นอปปนาชาญเป็นชานลาภีบุคคลแล้ว